มีพืชแห่งสรรพยูอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วและตัวตนที่ว่านี้ก็คือวิญญาณที่มีวิบากมีกิเลสหรือถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือวิบากของกรรมล้ว น, วนอันหนึ่งการที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าวิญญาณที่มีวิบากมีกิเลสเป็นตัวตนที่ไม่แก่และไม่เจ็บก็เพราะความแก่และความเจ็บนั้น